ผู้กองสั่งผมไม่ให้บอกครับเป็นคำตอบอย่างซื่อๆจากอดีตนายทหารกองโจรกะเลียงหญิงสาวตวัดทั้งตาค้อนอย่างฉุนฉุนพูดหนักๆในลำคอออดีนี่ตะพานใหญ่นั้นสั่งอะไรเธอเธอก็เชื่อฟังไปเสียหมดทุกอย่างเชนิดเคร่งคัดทีเดียวนี่มิหมายความว่าเธอเห็นเขามีความหมายสำคัญยิ่งไปกว่าพวกชันสามคนที่เป็นเจ้านายโดยตรงของเธอและทุกคนที่มากันนี่งั้นหรือ แง่าสายมองขึ้นสบตาหม่อมราชวิงวงหญิงดารินด้วยประกายตาแจ่มใสบริสุทธิ์โครงหัวช้าๆอยู่เช่นเดิมหาไม่ได้ครับนายหญิงผมไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยผมเพียงแต่คิดว่าการทาตามคำสั่งของผู้กองย่อมเป็นความปลอดภัยที่สุดของคณะเดินทางเพราะการเดินทางครั้งนี้อยู่ภายใต้การนำของผู้กองคนเดียวไม่เพียงแต่ผมหรือพวกลูกหาบทุกคนเท่านั้น แม้แต่นายหญิงหรือนายชายทั้งสองคนก็ควรจะเชื่อผู้กองด้วยถ้าอย่างต้องการให้เขาเป็นผู้นำนายหญิงก็เห็นแล้วว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับลูกหาบของเราเพราะมันฝา่าฝืนคำสั่งห้ามของผู้กองเองรู้สึกว่าใครๆจะต้องเคารพเชื่อฟังเขาเสียละเกินนะแม้กระทั่งชายยานและพี่ชายของฉันเองผู้เป็นนายจ้างแท้ๆล่อนกระแทกเสียงยังหยุดหงิดง ด, ดีดบุหรี่ที่ถือคีบอยู่ในมือกระเด็นเข้าไปในกองไฟ แล้วก้มลงคว้าปืนเดินผ่าเข้าไปในกระโจมปล่อยให้แงซายยิ้มยิงฟันตามหลังมาเวลาเคลื่อนผ่านไปเป็นลำดับระหว่างซากศพของกระเรียงลูกหาบอนันเป็นเป้าหมายบางไพรที่ขวางอยู่เบื้องหน้ากับปืนและไฟฉายที่เฝ้ารอคอยอยู่อากาศหนาวเยือกลงทุกขณะทั้งระพินและเชษฐานั่งเคียงกันอยู่อย่างที่สุ่มไม่ได้ปิด ป, ปากพูดคาใดแก่กันเองเลยนับเป็นชั่วโมง เสียงน้ำค้างป่าหยดตรงกระทบใบไม้แห้งดังอยู่เปา ะ, ะแปะรอบกายนานๆนนจะได้ยินเสียงเชษฐาหายใจลึกสักครั้งส่วนพรานใหญ่ระเบียนเงียบกริบราวกับว่าเขาจะหลับไปฉะนั้นแต่เมื่อเชิฐาเอื้อมมือมาแตะแขนเหมือนจะยังความรู้สึกก็ได้รับการเอื้อมมือมาจับต่อเป็นความหมายว่าจอมพรานยังมีประสาทตื่นพร้อมอยู่ทุกขณะไม่ได้เผยหลับไปเลยแม้แต่นิดเดียว นาฬิกาพายน้ำจากข้อมือของเชษฐาชี้เวลา 1.45 นมันเป็นช่วงระยะเวลาอันทรมานพอดูกว่าจะรุ่งเช้าเขาอยากจะสูบบุหรี่ขจัดความง่วงและความอัดอั้นเบื่อหน่ายแต่ไม่กล้าเพราะเห็นรพินผู้ตามปกติเป็นคนสูบบุหรี่จัดชนิดตัวต่อตัวซึ่งบัดนี้หลังจากสูบมวนสุดท้ายไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วก็ไม่ได้สูบอีกเลย พรานใหญ่ดูเหมือนจะอ่านความรู้สึกของเขาถูกชะโงกหน้าเข้ามากระซิบคุณชายจะงีีบไปพลางๆก็ได้ครับมีอะไรผมจะสกิดปลุกเองไม่ต้องห่วงเชษฐาหันมายิ้มให้ในความมืดมิดไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงผมก็ไม่มีทางจะหลับได้เวลาเท่าไหร่แล้วครับอีก15หนาทีจะตีสองแล้วก็เงียบกันไปอีกเวลาจะผ่านไปอีกนานสักเท่าใดไม่ทราบได้ เสียงความปีปร้องแววความสงัดลอยตามลมแววมาแต่ไกลครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปคั้นแล้วต่อมาอีกอึ่ใจใหญ่ก็มีกลิ่นสาบสางช่นนิดหนึ่งโชยมากระทบนาสิษประสาทเสียงเชษฐาขยับตัวและเอื้อมมือมาแตะแขนรพินคุณได้กลิ่นอะไรไหมอดีตนายพันโทหัวหน้าคณะเดินทางกะซิบเบาที่สุดครับจอมพานรับคาสั้นเชษฐาจ้องหน้าในความมืดเหมือนจะถาม ก็ไม่เห็นรับพินกล่าวหรือมีปฏิกิยาเช่นไรอีกนอกจากจะ น, นิ่งสงบเฉยกลิ่นสางนั้นตรบรุนแรงขึ้นอีกเมื่อลมป่าโชยมาเชษฐาจ้องฝ่าความมืดพยายามจะเพ่งออกไปยังซากศพเบื้องหน้าทั้งทั้งที่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากฉากวิการอันดำสนิทกระซิบถามต่อมาว่าจะไม่ลองฉายไฟดูหรือมันอาจย่องเข้ามาแล้วก็ได้รอจนกว่าจะแน่ใจที่สุดดีกว่าครับ ถ้ามันเข้ามาที่ซากเราจะได้ยินเสียงมันกัดแท้ศพอย่างถนัดที่สุดถ้าส่องไฟก็ได้ที่เลยทีเดียวถ้าเราใจร้อนส่องออกไปก่อนมันอาจจะอยู่ในระแวกใกล้เคียงและรู้ตัวเสียก่อนทําให้เสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายแล้วคราวนี้จะไม่มีหวังอีกเลยกลิ่นอย่างเดียวไม่พอหรอกครับต้องอาศัยฟังเสียงด้วยเพียงแต่กลิ่นมันอาจอยู่ห่างเรามากก็ได้เชื่อไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น เพราะการเชื่อฟังปฏิบัติตามคำแนะนำของพรานใหญ่ในภาวะเช่นนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเวลาได้ร่วงเลยไปแสงเดือนข้างแรมจัดที่เพิ่งจะขึ้นสองทะรุใบไม้ลงมาเป็นเงารางในบางส่วนนานๆครั้งไก่ป่าจะขันแววเย็นเยือกมาต่ไก่บอกยามแรกตุ๊กแก่ที่อาศัยอยู่ตามโพรงไม้สูงรอบด้านซึ่งมักจะร้องรับกันอยู่เป็นระยะมาตั้งแต่หัวข้าบัดนี้สงงังซารง เชืฐานั่งกอดปืนเอาหลังพิงโคนต้นไม้เผอเข้าพวังไปเมื่อไหร่ตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันมารู้สึกตัวสะดุ้งขึ้นเพราะมือของบระพินบีบมาที่ไหล่เขาลืมตาสว่างโพลนในความมืดที่แวดล้อมอยู่รอบด้านประสาททุกส่วนตื่นพร้อมหูสำเนียกเสียงกรอดกรอดเป็นจังหวะอยู่ในความมืดเบื้องหน้าตรงบริเวณที่ศพลูกหาบนอนอยู่เสียงนั้นเบาที่สุดแต่ในความเงียบสงดเช่นนี้พอจะจับได้อย่างถนัด บางครั้งก็หายไปบางครั้งก็ดังชัดเจนได้ยินหรือเปล่าครับเสียงกระซิบถามแผ่วเบาดังมาจากจอมพรานได้ยินพร้อมหรื อ, อยังเชธถาปรดเซฟ FN ฟกึ่งอัตโนมัติค่อยๆยกขึ้นประทับจ้องไปทางที่หมายอันมืดมิดโอเคใช้ไฟจอมพรานชูไฟฉายขนาดแดท่อนขึ้นแล้วค่อยๆวาดลงตามกะไปยังตำแหน่งที่มาของเสียง พอได้ระดับก็กดสวิตช์ให้รำไฟพุ่งจ้าออกไปโดยผ่านแนวรำกล้องปืนของเชษฐาเพื่อให้เห็นศูนโดยถนัดชัดเจนดวงตาเรากับทัพทิมคู่หนึ่งแดงโชดสะท้อนแสงสวนตอบแสงไฟฉายแววออกมามันอยู่ทางด้านปลายเท้าของศกลูกหาบผู้ใช้เป็นเหยื่อรอแต่แล้วทันทีนั้นเองระพินร้องออกมาเร็วปือ้อย่ายิงเชษฐาก็ไหวทายาต เป็นการวัยทั้งประสาตตาที่สังเกตเห็นดวงตาคู่นั้นและประสาทหูที่ได้ยินเสียงร้องห้ามของระพินนิ้วที่กำลังจะ ก, กระดิกไก่ของเขาชะงักลงอย่างกะทันหันทันท่วงทีก่อนที่กระสุนเบอร์12บรรจุรูปปลายชนิด9เม็ดจะระเบิดตูมออกไปอีเห็นหรือหมาป่าเขาถามออกมาสงสัยจะอีเห็นครับช่วงตามันแคบหรือเกินจอมพรานตอบ แล้วกระโดกรมไฟฉายกราดไปมาเป็นการไล่ดวงตาคู่นั้นหลบว่าพลิกตัวหันกลับกระโจนผ่าจากศพหายลงไปในรำห้วยมองเห็นได้อย่างถนัดว่ามันเป็นอีเห็นดงตัวเรื่องขนาดหมาพันอันเซเชียนทั้งสองถอนหายใจเฮือกออกมาพร้อมกันอย่างผิดหวังและวินดับไฟโรงในขณะที่เชิดถาลดปืนมือยังสั่นน้อยๆด้วยอารมณ์ตื่นเต้นโอ้โ h ผมเอ็กไซส์ไปหมดเลยมันทําเอาเสียเส้นเกือบกดตูมไปเสียจแล้วดีว่ายังเสียทันว่าอีเห็นตัวนั้นเห็นจะทําให้เราเสียพิธีเสียแล้วกันมังหัวหน้าคณะเดินทางคลางออกมาแล้วพินเอื้อมมือมาตบปลายเขาเบาๆคุณชายควบคุมภาษาสั่งงานได้ดีเหลือเกินครับผมยังนึกว่าคุณชายเบรกไม่ทันเสียอีกผมเองก็ตื่นเต้นไม่ใช่น้อยถ้าจะไม่มีหวังสําหรับคืนนี้หรือยังไง ถ้ามันยังป้วนเปลี่ยนห่วงอยู่ห่วงอยู่ถ้ามันยังป้วนเปลี่ยนห่วงเหยื่ออยู่ในระแวกใกล้เคียงอีเห็นตัวนั้นก็คงไม่กล้าออกมากินศพหรอกนี่แปลว่ามันจะต้องเปิดไปไหนไกลริบทีเดียวไม่ได้ท่อมท อ, มอยู่แถวนี้ถึงอย่างไรเราก็ต้องทนรอจนกว่าจะเช้าครับรบพินตอบแล้วก็ควักบุหรี่ออกมาเชืฐถาหายใจอย่างแช่มชื่นขึ้นเล็กน้อย ที่มีโอกาสได้สู่บุรีบ้างจากการอดทนก้านมาเป็นเวลานานประมาณตีสามครึ่งลมหยุดสนิทแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกป่าทั้งป่าตกอยู่ในห้วงสงบชนิดที่จั ก, กระจันเลไรก็ไม่ยอมทำเสียงเชษฐาเคลิมม้อยไปอีกเพราะเบาใจที่ถึงอย่างไรเขาก็มีระพินนั่งอยู่เคียงข้างครั้นแล้วปัจจุบันทันด่วนนั่นเองก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงอีกชนิดหนึ่ง ดังมาทางทิศเหนือของรำห้วยแห้งเบื้องหน้าเป็นเสียงยอดผายหักและผงรกถูกเสียดสีเสียงนั้นไม่ดังนักและโคนกับกลิ่นอับๆของโคลนตมโชยมาสัมผัสจมูกอย่างแรงก่อนที่เขาจะขยับตัวก็ได้ยินเสียงกระซิบเรียกจากระพินคุณชายครับผมยังตื่นอยู่เขาตอบออกไปยันตัวขึ้นนั่งตรงจากท่าเอ็พยายามเงี่ยหูถ้าผมเข้าใจไม่ผิด รู้สึกว่าช้างโขงจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆเรานี้เองครับมันชุมนุมกันอยู่ที่ดงพายเหนือหัวเหนือห้วยนี่ขึ้นไปห่างไม่เกิน300เมตรเห็นจะไม่เข้าทีเสียแล้วหรือยังไงคุณกับผมมีลูกซองการคนละกระบอกเท่านั้นมีหนำซ้ําอย่างนั่งอยู่บนพื้นดินจะเอายังไงกันดีเฉยไว้เถิดครับผมเชื่อว่ามันคงจะไม่ข้ามห้วยมาทางฝั่งเราแน่ๆ อย่างดีที่สุดก็เพียงแค่เฉียดเข้ามาทางฟากโน้นเท่านั้นคุณคิดว่าโขงไอ้แหว่งยังว่านั่นหรือเปล่าไม่มีอะไรจะให้คเนได้เลยครับอาจใช่หรืออาจไม่ใช่ก็ได้แต่ผมอยากจะเชื่อว่าไม่ใช่โขงไอแ้แหวงมากกว่าเพราะโขงของมันในระยะสามปีที่แล้วมาไม่เคยหากินลงมาต่ำกว่าป่าหวายเลยมีแต่จะเข้าดงลึกเข้าไปเป็นลาดับเพราะมันรู้ว่าถูกตามล่า มันจะบ่ายหน้าไปทางแคมป์เราหรือเปล่าก็ไม่รู้คงไม่หรอกครับเพราะเข้าใกล้ก็คงได้กลิ่นควันไฟอีกอย่างหนึ่งชายภูมิที่ตั้งแคมป์ของเราก็อยู่บนชะงอนผาเหมาะดีสําหรับการตั้งรับมันจะบุกขึ้นไปก็ลําบากพวกที่แคมป์พอยิงปะทะขับไล่ได้เสียงช้างโขลงพาขบวนหากินเพลินเข้าใกล้เข้ามาเป็นลําดับจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจทั้งสองนั่งเงียบกริบไม่พูดคาใดกันเลย ความเยือกเย็นมีสติมั่นของพรานใหญ่ทําให้เชิดถาพอยมั่นคงไปด้วยทั้งๆ ท, ที่หัวใจของเขาเริ่มจะเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเชิดาเดามิถูกเหมือนกันว่าถ้าหากมันพาโขงข้ามลำห้วยมาฟางนี้ทั้งเขาและละพินจะทําอย่างไรเป็นเวลาถึงชั่วโมงเต็มๆของการหายใจไม่ทั่วท้องที่ช้างป่าโขง น, นั้นป้วนเปี้ยนอยู่ในระแวกใกล้เคียงครั้นแล้วมันก็พาโขงเคลื่อนห่างออกไปอย่างสงบ เป็นระเบียบเรียบร้อยทางด้านตะวันออกจนกระทั่งเงียบเสียงหายไปซึ่งก็เป็นเวลาฟ้าสางพอดีร่องอกไปทีเชิฐาคลางออกมาพร้อมกับเหยียดกายบิดตัวอย่างสุดแสนจะเมื่อยร้าหันมามองดูหน้าพรานใหญ่ซึ่งบัดนี้พอจะมองเห็นกันได้ถนัดแล้วโครงหัวอย่างผิดหวังเป็นอันว่าเราฟาวสาหรับคืนนี้ประเดี๋ยวคุณชัยยันกับพรานของผมก็คงจะมารอกครับ เราออกไปนั่งพักกันที่โขดหินนั่นดีกว่าหมดระยะที่จะต้องเฝ้ากันแล้วช่วงหนึ่งทั้งสองต่างลุกขึ้นยืนออกมาจากโพรงโคลนไม้ที่นั่งซุ่มอยู่ตลอดทั้งคืนสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดสะระดัแขนขาด้วยความเมื่อยครบและพักนั่งสูบบุหรี่คุยกันเบาๆบนโขดหินห่างจากศพอันเป็นเหยื่อร่อเล็กน้อยตะวันเริ่มจะกล้าขึ้นเป็นลำดับพอแสงแดดเริ่มส่องพวกแมลงวันซึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหน ก็พากันบินหึงมาตอมที่กองเลือดและศพหยอดไข่ขังไว้แลดูกระจุกขาวเต็มไปหมดหน้าขนลุกครึ่งชั่วโมงต่อมาก็มีเสียงกูเรียกร่วงหน้าเข้ามาก่อนระพินป้องปากกูตอบออกไปอึดใจเดียวพวกที่แคมป์กลุ่มใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นเกิดเดินนำหน้าชายยันและดาลินสาวเท้าตามหลังมาอย่างรวดเร็วถัดจากนั้นก็เป็นบุญคาจันเเมยหัวหน้าลุกหา และพวกลูกหาบที่ติดตามมาด้วยอีกสามคนทั้งหมดพากันเดินตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับส่งเสียงทักทายแซดบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสยองใจไม่ได้ผลเหรอชายยันร้องถามเข้ามาก่อนที่ตัวจะถึงเชิาโครงศีสะรับกระติกกาแฟจากมือของน้องสาวที่เอามาฝากยกขึ้นดื่มกล้วคออันแห้งผากมีแต่อีเห็นกับช้างอีเห็นเข้ามาแท้ศพเมื่อตอนตีสองกว่า เกือบซัดตูมเขาให้เสียแล้วนึกว่าไอ้ ก, กุดดีแต่คุณระพินห้ามไว้เสียทันตอนใกล้รุ่งนี้เองช้างมาสวนสนามอยู่ฝากโน้นนั่งเข้าชานกันแทบจะไม่ยอมหายใจเกิดจานบุญคำและเมยเข้าไปรุมร้อมอยู่ที่รพินเพื่อซักถามและหารือกันพวกนั้นรายงานว่าเหตุการณ์ทางแคมป์เมื่อคืนที่ผ่านมาปกติเรียบร้อยดีทุกอยา่างและขณะนี้มอบหน้าที่ให้เสยกับแงซ า, ายควบคุมแคมป์ไว ส่วนดาลินเดินพิจารณาไปรอบๆแล้วมาหยุดสํารวจอยู่ที่ซากศพของลูกหาบอันแสนทุเรศด้วยความอเิจอนาใจหล่อนดูอยู่ได้ไมินานนักก็ถอยห่างออกมารวมกลุ่มทั้งหมดพูดคุยกันอยู่ครู่ใหญ่แล้วพินก็สั่งให้พรานของเขากับพวกลูกหาบที่มาด้วยช่วยกันขัดห้างขึ้นอย่างเร่งรีบบนคบไม้ใหญ่ชายภูมิเหมาะต้นหนึ่งซึ่งมีพวกเฟิร์นและกาฝ่าขึ้นอยู่เต็มเครื่องบางพลยอัมพางตาไปในตัว สำหรับให้ชายยันกับเกิดขึ้นนั่งเฝ้าผัดเวรต่อไปแต่ก่อนที่พวกนั้นจะแยกกันไปตัดไม้หม่อมนาชวงหญิงดารินก็พูดพ่งขึ้นว่าห้างนี้ขาดสำหรับสามคนนั่งนะอย่าลืมมีที่เผื่อฉันด้วยคนหนึ่งทุกคนหันขวับมามองทางหญิงสาวเป็นตาเดียวยกเว้นรสพินซึ่งเฉยเฉยไม่สนใจชายยันพูดออกมาต่าๆด้วยเสียงเคร่งเครียดจริงจังอะไรกันน้อย มันเรื่องอะไรที่เธอจะต้องมานั่งอยู่ด้วยเอเธอนี่แปลกเหลือเกินนะก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบันเทิงสนุกสนานอะไรเลยสักนิดสำหรับรายการนี้ทาเป็นเด็กพูดไม่รู้เรื่องไปได้นี่ทำไมฉันนั่งดูอยู่ด้วยคนไม่ได้หรือรับรองว่าจะไม่ทำอะไรเป็นที่เกลกะหรือขัดขวางเป็นอุปสรรคหรอกฉันจะขอนั่งดูอยู่เฉยๆดาดินพูดอ่อยๆน้าเสียงไม่แข็งเหมือนเช่นทุกครั้ง แต่เป็นการพูดแบบอ้อนวอนทำไมน้อยถึงชอบยุ่งในเวลาหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของน้อยเลยพี่ชายตำหนิน้องสาวอีกคนหน้านิ้วอย่างไม่พอใจโทษทำไมถึงจะไม่ใช่เรื่องของน้อยคะพี่ใหญ่หม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยออดยิ้มจืดจืดน้อยไม่ใช่คนหนึ่งในคณะของการเดินทางครั้งนี้หรือคะน้อยว่าน้อยมีความสำคัญในการเดินทางครั้งนี้ไม่น้อยไปกว่าใครเลย เพราะน้อยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้พี่ใหญ่ตัดสินใจหรือไม่จริงคะควรจะให้น้อยมีสิทธิ์บ้างไม่ใช่มามัวพิจารณาว่าน้อยเป็นเด็กหรือเป็นแต่เพียงผู้หญิงมันก็ไม่เห็นเสียงอะไรมากมายนักเลยเพราะเรานั่งห้างเกิดก็อยู่ชา ย, ยันก็อยู่น้อยขอเพียงได้นั่งดูอยู่ด้วยคนหนึ่งเท่านั้นมันจะไกลนักเชียวน้อยอยากเห็นตอนที่มันเข้ามากินเหยือ่อและตอนที่มันถูกยิงหญิงสาวก็หันไปทางชายยันจูกล้องถ่ายรูปในมือขึ้น อนุญาติที่ฉันนั่งอยู่ด้วยคนเถิดนะฉันมีอันนี่มาด้วยฉันจะจ้องถ่ายรูปอย่างเดียวเท่านั้นรับรองอีกครั้งว่าจะไม่ทําความยุ่งยากลําบากใจไร้เธอเหมือนเกิดหรือเกิดเลยชายยันจุ๊ปากเบาๆอย่างน้ำคาญใจบอกว่าฉันไม่รู้หรอกเธอขออนุญาตพี่ชายเธอดูสิถ้าเขาตกลงก็เอาหล่อนหันไปอ้อนวอนพี่ชายอีกครั้งเชิฐาหันไปมองหน้าระพินเหมือนจะถามความเห็นพรานใหญ่ก็บอกเรียบๆว่า ก็ไม่น่าจะขาดข้องอะไรหรอกครับถ้าคุณหญิงอยากจะนั่งดูอยู่ด้วยแล้วระพินก็หันไปสั่งเกิดให้เตรียมขัดห้างสําหรับสามคนนั่งดาลินหันไปมองดูจอมพรานอย่างพอใจขึ้นเล็กน้อยแต่เขาเมินผ่านไปเสียไม่ได้มองตอบต่อมาอีกครู่ใหญ่ห้างก็ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเป็นห้างที่กว้างขวางแข็งแรงพอสําหรับสามคนนั่งระดับสูงจากพื้นดินประมาณ8เมตร ซึ่งจัดว่าค่อนข้างสูงสำหรับการขัดห้างทั่วไปแต่ก็เหมาะสมแล้วสำหรับดักเฝ้าซากยิงเสือพอเสร็จสับผานใหญ่ขึ้นไปตรวจ ด, ดูแล้วลงมาบ่อให้เกิดชายยานและดาลินเตรียมขึ้นนั่งประจำผมกับคุณชายจะกลับมาเปลี่ยนเวรอีกครั้งในราวบ่ายโมงครับถ้ามันยังไม่เข้าทั้งเช้าและทั้งบ่ายคืนนี้จะรอให้บุญคากับจันมาผัดนั่งบ้างสาหรับการกสามผัดอยู่เช่นนี้ นัดแนะกันเป็นที่เรียบร้อยหม่อมราชวงศ์ดาลินก็ถูกส่งให้ขึ้นห้างเป็นคนแรกชัยยันไ ต, ตายตามขึ้นไปเป็นคนที่สองและเกิดอันทําหน้าที่พรานคุ้มกันขึ้นไปเป็นคนสุดท้ายซึ่งพระพินกคำชับไว้ว่ากระสุนนัดแรกที่จะระเบิดขึ้นในกรณีที่ไอกุดย้อนมากินซ่าให้เป็นกระสุนของชัยยันให้เกิดมีหน้าที่คอยช่วยซ้ําเท่านั้นถ้าจําเป็น ชายยันรับลูกสองกึ่งอัตโนมัติบรรจุห้านัดของเชิถาไว้เป็นประจำมือดารินไม่มีปืนติดมือมาด้วยในคราวนี้นอกจากปืนสั้นจุดสห้าซึ่งติดอยู่ในซองเข็มขัดข้างเอวส่วนเกิดนั้นรพินสั่งให้ถือปืนไรเฟิลจุด3 5ห s n s ของเขาสำหรับในกรณีฉุกเฉินอื่นๆทั้งสามรับประทานอาหารช้ามาเรียบร้อยแล้วจึงไม่จาเป็นจะต้องมีสเสบียงกลางอะไรทั้งสิ้นนอกจากกระติกน้า ซึ่งเกิดเป็นผู้สภายอยู่แล้วระพินเชษฐาและพวกที่มาจากแคมป์ทั้งหมด mm. ก็พระแย่เดินทางกลับมายัางแคมป์ที่พักภายหลังจากทั้งสามขึ้นนั่งห้างประจําเรียบร้อยแ mm. ง่ซ า, ายนอนเอาผ้าของม้าปิดหน้าอยู่ใต้เกวียนร่มเงากระรางลายร่มเงากระรางใหญ่หลังเต็นของคณะนายจ้างเมื่อระพินกับเชษฐากลับมาถึงแคมป์แง่ซ า, าย ตื่นในเวลากลางคืนครับแต่จะหลับในเวลากลางวันถ้าหากมีโอกาสที่จะหลับได้จอมพลานบอกในจ้างของเขาขณะที่มาหยุดยืนดูหนุ่มชาวโดวงอยู่ด้วยกันก่อนจะก้าวเข้าไปในกระโจมถ้างั้นก็ช่างเขาเถอะคนทั่วๆไปหลับในกลางคืนและตื่นในกลางวันบางขณะและก็บ่อยๆอยู่เหมือนกันที่เราต้องการคนที่หลับกลางวันเพื่อให้ตื่นกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเช่นนี้ ผมชอบไอ้หมอนี่เสียจริงๆถูกชะตาพิรึกแต่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจให้สนิทนักตามใดก็ตามที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมอร่วมเดินทางมหาวิบากกับเราในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์แท้จริงอะไรรับพินว่าแล้วเขาก็บอกให้นายจ้างของเขากลับเข้าไปนอนพักผ่อนเสียผมจะปลุกคุณชายในราวเที่ยงครึ่งครับโปรดรับให้สบายเช่าโบกมือให้แล้วก็เดินเข้ากระจมไป ระพินเดินไปเอ็นตัวที่ซอกโขดหินร่มรื่นตอนหนึ่งบุญคําก็นำอาหารเช้าและกาแฟมาให้เขาจอมพรานกินอย่างรวดเร็วแล้วทิ้งตัวลงนอนถ้าได้ยินเสียงปืนจากด้านคุณชายยานปลุกฉันทันทีถ้ายังเงียบอยู่มาปลุกตอนเที่ยงตรงห้ามทุกคนไม่ให้ยิงปืนโดยไม่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่เรายังไม่ได้ตัวไอ้กุดครับพานใหญ่รากเป้คเครื่องหลังมนุนศีษะ ใช้หมวกครอบปิดหน้าแล้วก็หลับไปอย่างง่ายง่ายเขาสะดุ้งตื่นขึ้ น, นมาเพราะบุญคำมาปลุกขณะนั้นแดดป่ากำลังแผดจ้าลอดใบกระรางลงมาตรงศีรษะมันเป็นเวลาเที่ยงพอดีไม่ได้ยินเสียงปืนจากทางด้านห้างเลยเร้อเงียบสนิทเลยครับผ่านอาวุโสของเขาตอบคุณชายตื่นแล้วยังคงยังครับเพราะยังไม่เห็นออกมาจากกระโจมเลย รพินลุกขึ้นรีบลงไปอาบน้ำที่ลำธารผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็เดินตรงเข้าไปที่กระโจมพักของนายจ้างเห็นแง่าสายซึ่งบัดนี้ตื่นเรียบร้อยแล้วนั่งเช็ดปืนของคณะนายจ้างอยู่หน้ากระโจมก็เอ่ยปากถามถึงเชิฐาหนุ่มชาวดงยังไม่ทันจะตอบร่างสูงใหญ่ของเชิดาก็ก้าวสวนออกมาด้วยสีหน้าแช่มชื่นผ่องใสขึ้นแสดงว่าได้รับการพักผ่อนและอาบน้าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้ว คุณชายตื่นนานแล้วหรือครับผมนึกว่ายังหลับอยู่เสียอีกมีอะไรกังวลอยู่ผมหลับไม่ได้นา น, น, นหรอกตื่นเที่ยงครึ่งตามเวลาของคุณพอดีทางด้านชายยานเห็นจันเหลวตามเคยถามแง่ทา ย, ายบอกว่าไม่ได้ยินเสียงปืนเลยรีบทานอาหารกลางวันถึดครับเสร็จแล้วเราจะออกเดินทางเลยทั้งสองรับประทานอาหารร่วมกันอย่างรวดเร็วพอเสร็จสับก็คว้าปืนเชิฐถาหันไปทางแง่าย แง่ทรายไปที่ห้างด้วยกันไหมประเดี๋ยวแกค่อยกลับพร้อมกับคุณชัยยันกระเรียงหนุ่มนักเดินโด่งคว้าปืนคู่ ม, มืออย่างว่าง่ายเดินตามหลังเชื่ากับพระพินมาด้วยรวมเป็นสามคนตัดทางบ่ายหน้าไปยังห้างที่ชัยยันนั่งอยู่กับดาลินและเกิดในขณะนี้พอใกล้เข้าไปแล้พินก็บอกให้แง่ทรา ย, ายกู่ให้สัญญาณร่วงหน้าเข้าไปก่อนตามธรรมเนียมเพื่อการความเข้าใจผิดมีเสียงกู่ตอบออกมา ทั้งสเดินตรงเข้าไปถึงก็เป็นเวลาเดียวกับที่เกิดชัยยานและดารินตายลงมาจากห้างเงียบเป็นเป่าสากเลยมีแต่ห ม, มานายฝูงเบ้อร์รอจะเข้ามาถึงศพเกิดเลยเอากิ่งไม้คว้างไล่ลงไปชายยานร้องบอกมาเอาละถึงผลัดของฉันกับละพินอีกแล้วแกกลับไปพักได้เชิดถาพูดเบาๆทั้งสองฝ่ายพูดกันอีกสองสาคำก็เตรียมจะแยกจากกัน แง่ช า, ายเดินตรวจบริเวณและมาดูที่ศพสีหน้าของหนุ่มชาวโดงเฉยเมยไม่มีปฤติกรยาใดๆทั้งสิน้นเขายือนอยู่ใกล้ศพเหมือนจะพึมพำสวดอะไรเป็นการส่งวิญญาณของลูกหาผู้เก่อร้ายลักษณะของศพเริ่มหน้าเกลียดหน้ากลัวเพิ่มขึ้นกำลังจะขึ้นอืดเพราะอากาศร้อนอบอ้าวและเต็มไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์ของดงดิบทั้งพึ่งและแมลงวันบินตอมหึงชา ย, ยานบ่นพึม เขาถูกพึ่งที่มีอยู่อย่างชุกชมและมักจะชอบบินมาตอมโดยไม่เลือกคลานเข้าไปในคอเสื้อพอขยับตัวมันจะจะปัดมันก็เลยต่อยฝังเหล็กในเอาที่คอจนบวมเป็นก้อนดาลินเองก็เมื่อยขบไปหมดไม่อยากจะข อ, อนั่งเฝ้าอยู่อีกต่อไปเพราะความกลัวพึ่งถ้าอย่างไงแล้วคืนนี้ฉันขอนั่งเปลี่ยนใหม่ขอนั่งกลางคืนมั่งเหอะชา ย, ยันบอกเปยๆแล้วพินยิ้มพยักหน้า ลองดูก็ได้ครับถ้าสมัครใจคืนนี้ผมจะให้คุณชายยันมานั่งกับบุญคําดูอีกครั้งแต่นั่งกลางคืนไม่มีผัดนะครับตั้งแต่ตะวันตกดินจนถึงสว่างเลยไม่เป็นไรหรอกแช่าถากับคุณก็นั่งมาเมื่อคืนนี้แล้วผมนอนสบายให้ผมเปลี่ยนมั่งดีกว่าเมื่อฝ่ายที่โรงจากห้างเตรียมจะกลับและแง่สายเดินสมทบจะกลับไปด้วยจอมพรานก็เรียกไว้หนุ่มพเนจรชาวดงหยุดชะงักหันมา แกจะนั่งห้างกับเราด้วยไหมแงซายแล้วแต่ผู้กองครับถ้าอย่างนั้นขึ้นห้างด้วยกันเขาก่าวชวนเพราะต้องการจะเอาใจเชธธิฐาซึ่งเขารู้ว่าพอใจเจ้าคนใช้ชาวดวงผู้นี้เป็นพิเศษแงซายเดินยิ้มกลับมาในขณะที่เกิดชายยันและดาลินพากันพระเดินลงห้วยบ่ายหน้ากลับแคมป์เมื่อเกิดชายยันและดาลินเดินรับหายลงห้วยไป แง่ท า, ายกับเชิฐาก็หันมามองตาละพินพรานใหญ่กวาดสายตาไปรอบๆ อ, อีกครั้งหนึ่งแล้วพยักหน้าเป็นเครื่องหมายเชิดาจึงตายขึ้นไปเป็นคนแรกแง่ทา ย, ายตามขึ้นไปเป็นลาดับสองและตัวเขาเองตายขึ้นห้างเป็นคนสุดท้ายจัดหาที่นั่งตามความเหมาะสมเรียบร้อยแล้วก็สงบปากเสียงเฝ้ารอคอยอยู่โดยไม่พูดอะไรกันเมื่อไม่จําเป็นและจะพูดก็โดยเสียงกระซิบเท่านั้น เวลามันผ่านไปอย่างน่าอึดอัดเบื่อนหน่ายยิ่งกลิ่นของศพเริ่มจะโชยขึ้นมาบางครั้งศพของลูกหาบส่งกลิ่นเร็วกว่าปกติป่าทั้งป่าเงียบสงบอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรกระโตกกระตากเลยเป็นเวลาถึงสองชั่วโมงเต็มๆนอกจากชนีสองสามตัวที่โหนตัวต่องแต่งก้มลงมามองอยู่บนยอดไม้เหนือศีรษะและเจ้ากวางหนูหรือกระจงตัวน้อยๆพากันออกมาเดินย่องอยู่ใต้ห้างผมว่าถ้ามันจะไม่ยอมเข้าสีแล้ว ไอเสือผีสิงตัวนี้แสนรู้เอาจริงๆสุภาพบุรุษในราชสกุลหัวหน้าคณะเดินทางบ่นออกมาเคยมีเหมือนกันครับที่ต้องอดทนรอคอยเฝ้าซากจนกระทรั่งซากเปือ่อยโซมบางครั้งก็ตั้งเกือบอาทิตย์มันไม่มีความหวังอะไรได้มากเกินไปกว่าการเฝ้ารออยู่ที่ซากในกรณีที่มันกัดซากทิ้งไว้ระพินบอกหม่อมราชวงเชืฐ้าจ้องไปที่ศพแล้วสายหน้าถอนใจเบา ผมสมเพศศพของเอิญเหลือเกินภาวนาอยากให้มันเข้าเสียโดยเร็ ว, รวขืนช้าออกไปศพก็จะยิ่งขึ้นอืดเฟะสังเวชในตายอย่างบอกไม่ถูกความจริงเราควรจะจัดการฝังเขาเสียให้เรียบร้อยทําไมติดขัดที่จะต้องอาศัยเป็นเครื่องล่อเฮออยังไม่ทันที่จะถึงหล่มช้างเลยคณะของเราก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเสียแล้วมันเป็นลางไม่ดียังไงพิกรณผู้กองครับ เสียงกระซิบข้าห้าวของแง่า ย, ายดังขึ้นเป็นประโยคแรกหลังจากขึ้นร่วมห้างมาเป็นเวลานานทั้งพรานใหญ่และเชษฐาหันไปมองอะไรหรือแ ง, ง่า ย, ายผู้กองเคยคิดบ้างไม่ว่าไอ้กุดมันน่าจะจำกลิ่นผู้กองได้จอมพรานขมวดคิ้วจ้องหน้าหนุ่มชาวดงนักพเนจรแล้วยังไงผมคิดว่ามันจะจริงเท็จแค่ไหนก็ขอให้ผู้กองพิจารณาเองเถิดครับเสือผีสิงอย่างไอ้กุด ย่อจะมีอะไรพิเศษเหนือกว่าเสือธรรมดาทั่วไปมันจํากลิ่นผู้กองหรืออย่างน้อยมันก็อาจแอบซุ่มอยู่ใกล้ๆคอยดูการเคลื่อนไหวของผู้กองคราวใดก็ตามที่ผู้กองออกล่ามันมันก็จะหลบเสียไม่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นยกเว้นแต่ว่าผู้กองจะเผลอตัวและมันรู้ว่ามันได้เปรียบมันอาจจู่โจมออกมาเล่นงานทันทีแต่เมื่อผู้กองยังตื่นพร้อมที่จะรับหน้ามันอยู่เสมอมันก็คอยแต่จะหลบ ระพีนกับพิบตาทีๆตะแคงหูฟังแงซายอย่างสนใจแล้วแกคิดว่าจะให้ทำยังไงไหนลองขยายออกมาบ้างสิบอกตามตรงชันเกียดไอ้วิธีนิ่งอมพนามมัวแต่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะแต่คำสั่งของแกประการเดียวมานานแล้วมีอะไรก็ลองพูดออกมาบ้างแงซายอ้าปากยิ้มเห็นฟันขาวเชิถาพูดมาอีกคนหนึ่งว่านั่นสิแงซายมีความคิดอย่างไรก็ลองบอกมาบ้าง ไหนๆการข้างหน้าเราก็จะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันแล้วอดีตนายทหารกองจนกระเหลียงหันมาทางหม่อมราชวงศ์เชี่ถาถามหน้าตาเฉยว่าเจ้านายพอทีอ่จะนั่งดักยิงบนห้างนี้คนเดียวได้ไหมครับอ๋อแน่นอนฉันนั่งคอยมันคนเดียวได้ทุกเวลาไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนเชี่ถาตอบโดยเร็วระพินลืมตาโพรงสวนมาว่า แต่ว่าแกจะให้คุณชายนั่งห้างเพียงคนเดียวอย่างนั้นหรือแงสายก้มหัวลงครับถ้าไม่คิดว่าเป็นการบังอาจเกินไปผมอยากจะแนะว่าผู้กองและผมควรจะลงจากห้างนี้และเดินกลับแคมป์ปล่อยให้เจ้านายนั่งห้างอยู่คนเดียวเป็นการนั่งเฉพาะตอนบ่ายนี่ไปถึงเวลาค่ําเท่านั้นเมื่อค่ําแล้วหากมันยังไม่เข้าพวกเราค่อยกลับมารับเจ้านายและผลัดเปลี่ยนเวรให้คนอื่นมานั่งแทนอีกผมเชื่อแน่ว่าจะยังไรเสีย เมื่อผู้กองและผมกลับไปแล้วมันจะต้องย้อนมาที่ซากนี่เพราะอย่างน้อยที่สุดในระหว่างที่ผู้กองเดินทางกลับแคมป์ไอ้กุดอาจซุ่มสังเกตอยู่และชล่าใจว่าผู้กองกลับไปแล้วระพินเม้มริมฝีปากจ้องตางแงซายอยู่เช่นนั้นอย่างใช้ความคิดแต่เชิดฐายิ้มออกมาเอความคิดของแงซายเข้าทีดีนี่ลองดูอย่างว่านี่หล่ะระพินผมจะทิ้งให้คุณชายนั่งห้าง รอคอให้ ก, กุดเพียงคนเดียวไม่ได้เป็นอันขาดไม่ใช่ผมไม่ไว้วางใจฝีมือของคุณชายแต่โดยหน้าที่ของลูกจ้างเช่นผมที่จะต้องดูแลให้ความปลอดภัยแก่นายจ้างทุกฝีก้าวจอมพรานตอบหนักแน่นมั่นคงคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกผมตอบได้สั้นๆอย่างเดียวเท่านั้นว่ามันไม่เหมาะครับแล้วเขาก็หันมาทางแง่สายแกหมายความถึงว่าฉันกับแกปีนลงจากห้างและเดินกลับแคมไป เพื่อให้กูดเห็นว่าพวกเราไปกันแล้วมันจะได้ย้อนเข้ามาเรียกว่าเป็นการหลอกมันงั้นหรือมันเป็นการทดลองเท่านั้นนะครับผู้กองผมเองก็ยังไม่กล้า ย, ยืนยันถึงไอ้ ก, กุดเองมันก็อาจหลอกเราก็ได้โดยหลอกให้เรามาคอยอยู่ที่ซากเพื่อย้อนกลับไปหาโอกาสล่าใครในแคมป์ของเราไปอีกผู้กองรู้ดีอยู่แล้วว่าเสือกินคนมันฉลาดเช่นไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ ก, กุดตัวนี้พ่านใหญ่หัวเราะออกมาเบา เอาละสมมุติว่าเป็นอย่างแกว่าคือมันเห็นแก่กับฉันเดินกลับแคมป์ไปแล้วแกคิดหรือว่ามันจะไม่รู้ว่าคุณชายนั่งรอมันอยู่บนห้างอีกคนหนึ่งเรามากันสมคนแต่กลับเพียงสองคนเท่านั้นเสือมันรู้แต่เพียงว่ามีคนมาดักยิงมันเท่านั้นครับแต่มันไม่รู้จักที่จะนับจํานวนคนหรอกว่าขึ้นนั่งห้างกี่คนและกลับไปกี่คนถ้ามันเห็นคนลงจากห้างมันก็รู้ว่ากลับไปแล้วเท่านั้นแต่เรื่องอะไรมันก็ไม่สําคัญเท่ากับว่า กลิ่นตัวของผู้กองที่มันจำได้เท่านั้นถ้าผู้กองไม่อยากจะให้เจ้านายนั่งอยู่คนเดียวจะให้ผมนั่งเป็นเพื่อนด้วยก็ได้ผู้กองกลับไปคนเดียว